เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าที่จะวิเศษเท่ากับจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่สะอาดรบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลง นำความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขไปตลอดอนันตการเป็นความสุขที่พวกเรายัางไม่ได้พบยังไม่ได้สัมผัสกันพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขกันแต่มักจะหาความสุข ที่มีความทุกข์พ่วงท้ายมาด้วยเวลาได้อะไรมาก็สุขใหม่ๆก็สุขดีพอหลังจากนั้นแล้วความทุกข์ก็ตามมา <Yeah. S 1> เพราะความสุขทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอริยสัจสีคืออยู่มีความทุกข์เพราะ ค, ความทุกข์เกิดจากความอยากพวกเรา ทุกคนมีความอยากกันมีอยากหาความสุขกันพอไปหาสิ่งต่างๆไม่เช่นไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะมาสัมผัสกับตาหูจมูกขึ้นกายก็เกิดสุขโควทนาขึ้นมาภายในใจแต่เนื่องจากความสุขเหล่านี้มันเกิดจากความอยาก มันก็เลยเกิดความไม่พอขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอดูเท่าไหร่ก็ไม่พอฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอรับประทานหรือดื่มไปเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆการที่จะต้องหาอะไรมาเพิ่มนี้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วเพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นสุข เราต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความทุกข์ยากลาบากลาบนขึ้นมาเพราะการหาของแต่ประย่างนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับฝนตกลงมาเราต้องมีเงินมีทองต้องทำมาหากินเพื่อจะได้เงินได้ทองมาซื้อความสุขต่างๆ ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอสักทีเหมือนกับเทน้ําใส่ไปในกระแป๋งที่มีรอยรั่วอยู่เทไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีถ้ามันเต็มมันก็เต็มเพียงเดี๋ยวเดียวไม่นานมันก็พร่องลงไปอีกตุ่มน้ําหรือถังน้ําถ้ามีรอยรั่วรอยร้าวอยู่ต่อให้เราตักน้ําใส่เข้าไปมากน้อยเพี่ยนอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็ ซึมออกมามันก็รั่วไหลออกมาเราก็ต้องคอยตัดเพิ่มขึ้นไปอยเรื่อยๆนี่คือความสุขที่เกิดจากความอยากเป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอก็ต้องไปเอาจากสิ่งภายนอกมาใส่ถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้ว่าตุ่มของเรารั่วหรื่อเรา ถ้าเราหาอะไรมาอุดรอยรั่วรอยร้าวเสียทำให้น้ำที่อยู่ในตุม่มมันไม่รั่วซึมออกมาพอเราเติมน้ำไปให้เต็มเพียงครั้งเดียวพอเราเติมน้ำให้เต็มเพียงครั้งเดียวมันก็จะเต็มอยู่ตลอดเวลารอยร้าวรอยรั่วของตุ่มนี้ก็เปรียบเหมือนกับความโลภความอยากต่างๆของใจเรานี่เอง ดังนั้นวิธีที่จะทำให้ความสุขของเรามีอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ได้อยู่ที่การไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะหามาเท่าไหร่หามาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่สุขพอยังไม่อิ่มเรายังต้องการยังอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ ยังอยากมีสิ่งนั้งสิ่งนี้อยู่มีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ฉลาดแหลมคงที่เห็นว่าความอยากนี้เป็นรอยรั่วรอยร้าวของใจละถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขไปตลอด mm. ก็ต้องอุดรอยรั่วรอยร้าวนี้คือกําจัดรอยรั่วรอยร้าว mm. กาจัดความโลภกําจัดความอยากให้หมดไป พอไม่มีความโลภความอยากหลงเหนืออยู่ในใจแล้วใจก็อิ่มขึ้นมาทันทีใจก็เกิดความพอขึ้นมาทันทีเพราะความพอกับความอยากนี่มันอยู่คนละด้านกันมันอยู่พร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้เหมือนกับกลางวันกับกลางคืนจะเกิดขึ้นมาในที่เดียวพร้อมกันไม่ได้ ตอนนี้เป็นกลางวันกลางคืนมันก็หายไปถ้าพอเป็นกลางคืนกลางวันมันก็หายไปเช่นเดียวกับความอยากกับความอิ่มก็เป็นอย่างนั้นถ้ายังอยากอยู่ก็ยังไม่อิ่มถ้าไม่อยากมันก็จะอิ่มนี่คือการทำใจของเราให้อิ่มให้พอให้สุขไปโดยตลอดด้วยการกําจัด ความอยากความโลภต่างๆนี่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวผู้ที่ได้สะสมปัญญาบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนานจนสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและเห็นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและทรงได้แก้มา อย่างเรียบร้อยแล้วคือทรงเอาชนะความโลภความอยากได้หมดแล้วเมื่อก่อนพระองค์ก็ทรงมีความอยากเหมือนพวกเราอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หาความสุขด้วยการสร้างประสาทสามฤ ด, ดูหาของหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาอะไรต่างๆมาบำรุงบำเลอ แต่หามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่พอจนในที่สุดทะ อ, องจึงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางที่ไปสู่ความสุขทางที่ไปสู่ความสุขต้องอยู่ที่การเอาชนะความโลภความอยากต่างๆก็เลยตัดสินพก็ทัยสละความสุขทางโลกไปให้หมดหนีออกจากวัง ไปบวชอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆสถานที่ที่จะเอาชนะความโลภความอยากต่างๆได้ง่ายได้ก็คือในป่าในเขาเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมายั่วความอยากนั่นเองถ้าอยู่ในบ้านในเมืองมันมีของยั่วใจเยอะคนที่ชอบกินเหล้าพอเห็นคนอื่นเขากินเหล้า เดี๋ยวก็อดที่อยากจะกินไม่ได้คนที่ชอบสูบบุหรี่พอเห็นคนอื่นเขาสูบบุหรี่เห็นร้านขายบุหรี่ก็จะอดไม่ได้คนที่ชอบเที่ยวชอบดูหนังฟังเพลงก็เช่นเดียวกันพอเห็นคนอื่นเขาเที่ยวเขาดูหนังฟังเพลงก็จะอดไม่ได้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา แต่ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วของพวกนี้มันไม่มีในป่าในเขาไม่มีบุหรี่ขายไม่มีเหล้าขายไม่มีโรงหนังไม่มีร้านค้าต่างๆไม่มีสถานบันเทิงต่างๆอยู่ในป่าในเขาจึงไม่มีอะไรมาคอยกวนใจมายั่ว่ใจแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าความอยากมันจะ หายไปเพราะความอยากมันไม่ได้เกิดจากการอยู่ห่างอยู่ใกล้หรืออยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจต่างๆแต่มันเกิดจากความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือความเข้าใจผิดเข้าใจว่าของต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะรังต่างๆ ให้ความสุขกับใจแต่ความจริงแล้วมันให้ความสุขเพียงนิดเดียวแต่มันให้ความทุกข์มากกว่าเช่นบุหรี่เหล้าหรือยาเสพติดทั้งหลายมันให้ความสุขกับผู้เสพ จ, จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ความทุกข์อย่างแสนสาหัสเวลาที่ขาดบุหรี่ขาดเหล้าขาดยาเสพติดขึ้นมา ยาทุกทรมานใจอย่างยิ่งจนอาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็มีถ้าติดมากๆนี่คือโทษที่เรามองไม่เห็นกันเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่พวกเรากําลังติดกันอยู่เราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังติดกับสิ่งต่างๆอยู่เราติดกับของสวยๆ ง, งามๆเราติดกับความสุขความสบาย ที่เกิดจากการได้รับประทานของโปรดได้ดื่มของโปรดได้หลับได้นอนในบ้านที่มีมีเครื่องบรนเทาครบถ้วนมีเครื่องปรับอากาศมีอะไรทุกอย่างแต่เราไม่รู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันเราก็ต้องทุกทรมานใจกับการคอยรักษาสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่ไม่ให้จากเราไปเพราะเรารู้ว่าถ้าจากเราไปแล้วเราจะทุกข์ทรมานใจนั่นเองแต่เราไม่เคยคิดกันพอเราติดแล้วเราก็มีแต่หามาอย่างเดียวหามาอยู่เรื่อยๆ หามาจนมันตายแล้วเมื่อตายไปแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจก็ยังไม่หายไปยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่ตายร่างกายตายแต่ใจไม่ตายความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากอยู่ที่ใจพอร่างกายตายไปแล้วความอยากก็พาใจไปหาหาความสุขใหม่ เทนี้จะไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าบุญกรรมที่ทำมาถ้าทำกรรมไว้ก็ถึงแม้ยอยากจะหาความสุขกรรมมันก็จะพาไปหากล่องทุกพาไปตกนรกพาไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทำบุญมามากทำกรรมมาน้อยบุญก็จะพาไปหาความสุขไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ หรือไปกลับหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่รวยกว่าเก่าสวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าพอตายไปแล้วเราเลือกไม่ได้ถึงแม้เราขณะมีชีวิตอยู่เราอยากจะเลือกบางทีเราก็เลือกไม่ได้เราอยากจะซื้อรถเบนข์ขี่แต่เราไม่มีสตางค์เราก็ซื้อรถเบน์มาขี่ไม่ได้เราอยากจะอยู่คอนโดราคาหลายสิบล้าน เราไม่มีเงินซื้อเราก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้จะมีความอยากแต่มันก็ไม่สามารถทำตามความอยากได้เพราะเราไม่มีเงินฉันใดหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราอยากไปสู่สุคติถ้าเราไม่ได้มีปัจจัยที่จะพาเราไปสู่สุคติเราก็ไปไม่ได้ ถ้าเราไม่ทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่าเสมอถ้าไม่รักษาศีลอยู่อย่างสม่าเสมอก็ไปไม่ได้ถ้ายังมัวแต่ค่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงนักทรัพย์เสพสุรายามเมาอยู่เป็นเป็นปกติตายไปก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยที่เราได้ทำไว้ก็ต้องไปนรกไปเป็นเปรต ไปเป็นเดรัจฉานเพราะกฎแห่งกรรมมันเป็นของตายตัวต่อรองกันไม่ได้ไม่เหมือนกับสินค้าบางชนิดที่เราต่อรองกันได้เขาให้ราคานี้เขาบอกราคานี้มาถ้าเราว่ามันแพงไปแล้วก็ขอลดได้แต่กรรมหรือบุญนี้ทำไปแล้วไปขอลดไม่ได้หรือไปขอเพิ่มไม่ได้ทำบุญมาน้อยแล้วอยากจะขอ ขอผลที่เกิดจากการทำบุญมากๆก็ไม่ได้ก็ต้องได้บุญได้ผลเท่าที่เราทำเอาไว้พวกเราที่เกิดมาจึงมีความแตกต่างกันมีความสวยงามรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันบางคนก็สวยงามบางคนก็ไม่ไม่ค่อยสวยงามบางคนก็ไม่สวยเลยบางคนก็มีผิวคล้ำ ผิวไม่สวยบางคนก็มีผิวพรรณที่ผ่องใสบางคนก็มีฐานะที่ร่ำรวยบางคนก็มีฐานะที่ยากจนบางคนก็เป็นฉละเป็นคนที่ฉลาดบางคนก็เป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนโง่เพราะอะไรเพราะบุญกรรมที่เราทามานี้เองถ้าอยากจะมีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีการเงินการทองที่ดีก็ต้องทำทานให้มากๆต้องบริจาคทรัพย์ที่เรามีให้มากๆอย่าไปเสียดายขอให้คิดว่าเป็นการซื้อภพชาติใหม่ที่ดีเงินทองที่เรามีอยู่นี้ถ้าเราไม่เอามาทำบุญให้ทานเราไปใช้อย่างอื่นเราจะขาดทุนถ้าเราไปซื้อยาเสพติดมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่เรา ถ้าเราเอาไปเที่ยวมันก็เช่นเดียวกันเอาไปเล่นการพ น, นันมันก็จะหมดได้แต่ถ้าเราเอามาทำบุญให้ทางมันก็เป็นการซื้อพบชาติใหม่ที่ดีกว่าเก่าจะได้รูปล่างหน้าตาที่ดีกว่าเก่าผิวพรรณผ่องใสกว่าเก่ามีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่าเนี่ยพวกเราจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องราวเหล่านี้ เพราะในอดีตชาติของพวกเราทำบุญให้ทานมาไม่เท่ากันบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยพอมาเกิดก็เลยมีความแตกต่างกันอย่างนี้แต่การทำบุญให้ทานอย่างเดียวแล้วหวังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังไม่ได้เพราะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ปัจจัยที่สำคัญก็คือการมีศีลห้าเป็นปกติวิสัย ต้องรักษาสีหน้าให้ได้เป็นปกติถึงจะได้ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตก่อนถึงจะไล่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปใช้เวรใช้กรรมเพราะทำบาป ท, ทำกรรมเอาไว้พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไม่ดีกว่าเก่าแต่กลับจะแย่กว่าเก่าเคยเคยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม พอกลับมาจากหลังจากไปใช้เวรใช้กรรมแล้วกลับมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเหมือนเดิมสู้สู้ของเดิมไม่ได้ฐานะการเงินการทองก็สู้ของเดิมไม่ได้ถ้าทำบาป ท, ทำกรรมแล้วไปใช้เวรใช้กรรมกลับมาแต่ถ้าทำบุญไว่มากๆแล้วไปรับผลบุญที่สวรรค์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะดีกว่าเก่า แต่จะกลับมาจะไปสวรรค์ได้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ที่ดีกว่าเดิมจะต้องรักษาศีลให้ได้อย่าไปทำบาปทำกรรมถ้าไปตกนรกไปติดคุกเหมือนกับไปติดคุกติดตารางคนที่ติดคุกติดตารางพอออกมาจากคุกตารางเป็นอย่างไรบ้างก็มีแต่มีแต่ตัวปเปล่าๆไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรติดตัวมา แต่คนที่ไป <c oughs> อยู่ในธนาคารพอออกจากธนาคารก็มีเงินทองติดตัวมาด้วยนะนี่แหละคือเรื่องของความอยากถ้าเรายังไม่สามารถกําจัดความอยากได้มันก็จะพาเราไปสองทางนี้ไปในทางกรรมหรือไปในทางบุญถ้าเราอยากจะไปในทางที่ดีไปสู่สุคติ เราก็ต้องหมั่นทำบุญหมั่นรักษาศีลให้ได้เราก็จะสามารถที่จะกลับมาดีกว่าเก่าได้ถึงแม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องกายอยู่แต่ก็ยาไม่ทุกขทรมานลำบากล้าบนเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ เราควรจะไม่กลับมาเลยเสียจะดีกว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกกับเรื่องราวต่างๆอีกเราก็ต้องชำระจิตของเราให้สะอาดดังนั้นนอกจากการทําบุญให้ทานรักษาศีลแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเรียกว่าภาวนานั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งวิปัสสนา นี่แหละจะเป็นตัวที่จะมากําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่มีวิธีอื่นที่จะสามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะความโลภความอยากนี้เกิดจากความหลงและความหลงจะหมดไปได้ก็ต้องเกิดจากปัญญาความรู้จริงรู้ความจริง เหมือนคนมาบอกเรามาโกหกเราเราไม่รู้ว่าเขาโกหกเราเราก็คิดว่าเป็นความจริงต่อมาเราไปเห็นความจริงเข้าเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาบอกเรานี่มันเป็นความไม่จริงเราหลงเชื่อเขาตอนนี้เราก็หลงเชื่อกิเลสที่อยู่ในใจเราหลงกับหลงเชื่อว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา มากกว่าให้ความทุกข์กับเราแต่เราไม่เคยสังเกตดูเลยว่าแต่ละวันที่เราอยู่กันนี้เราทุกข์เราสุขมากน้อยต่างกันอย่างไรเราไม่เคยคิดเพราะเรามัวแต่ถูกความหลงหลอกให้เรากรบความทุกข์อยู่เรื่อยๆพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รีบกรบมันทันทีพออยากจะดื่มสุราก็ดื่มทันทีพออยากจะสูบบุหรี่ก็สูบทันที โดยไม่เคยหยุดคิดก่อนว่าถ้าเราไม่สูบแล้วจะตายหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเราลองหยุดดูเราก็จะเห็นว่าอ้อการสูบบุหรี่นี้มันมีโทษเพราะเวลาไม่ได้สูบนี่มันทุกทรมานใจเวลาดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มแล้วมันทุกทรมานใจคนที่เขาไม่ติดบุหรี่คนที่เขาไม่ติดสุราเขาไม่ทุกทรมานใจเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราหยุดคิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆเมื่อเราเห็นโทษแล้วเราก็จะได้กาจัดมันเพราะเราไม่อยากจะทุกขทรมานไปกับมั น, นเรายอมทุกยวเดียวยอมอดยอมทุกกับการอดเพียงไม่กี่วันเท่านั้นต่อไปมันก็จะหายยากแต่จะทำให้ง่ายได้นี้จะทำให้เลิกง่ายที่สุดเราต้องทำจิตใจของเราให้สงบให้ได้ เราต้องฝึกทำสมาธิให้ได้เพราะถ้าจิตใจของเราสงบแล้วความอยากมันทำงานไม่ได้ความอยากมันอาศัยการทำงานของจิตอาศัยการคิดปรุงแต่งของจิตถ้าจิตหยุดคิดปรุงแต่งความอยากมันก็อยากออกมาไม่ได้คนที่มีสมาธิแล้วนี้เลืิกได้เรื่องต่างๆนี้เลือกได้ง่ายถ้าเห็นโทษของมันแล้วเลิกได้ทันทีเลย มีสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาเป็นผู้ชี้โทษให้ด้วยต้องเป็นปัญญาที่มาชี้แจงบอกว่าสูบบุรีแล้วจะเกิดโทษอย่างนี้นะดิมเล่าแล้วจะเกิดโทษอย่างนี้เล่นการพนันแล้วจะเกิดโทษอย่างนี้ถ้ามีการชี้แจงให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงติดอยู่พอเราเห็นโทษแล้วเราก็จะไม่อยากเราก็จะตัดมันได้ทันที ดังนั้นเราต้องมีทั้งสองส่วนด้วยกันมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาคอยบอกเราว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงที่อยากที่เราหลงเราอยากนี่มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรามันมีความทุกข์ตามมาเสมอและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขเช่นคนอยู่คนเดียวกับคนอยู่สองคนสามีภรรยา ใครจะมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยกว่ากันคนที่อยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายกว่าคนที่อยู่สองคนคนที่อยู่สองคนนี้หนึ่งก็ไม่เป็นอิสระในตัวของตัวเองแล้วจะทําอะไรตามใจชอบก็ทําไม่ได้แล้วจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปไม่ได้แล้วจะไปไหนก็ต้องมีคู่ไปด้วยมีคู่เวรคู่กรรมไปด้วย จะไปไหนคนเดียวก็ต้องขออนุญาตก่อนถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้จะทำอะไรถ้าไม่ได้อยากทำพร้อมกันก็ทำด้วยกันไม่ได้นี่คือความทุกข์ของการอยู่ร่วมกันสองคนอยู่คนเดียวนี้จะทำอะไรเมื่อไรจะไปที่ไหนไปได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตใครแต่เหตุที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจไม่สงบ ใจมีความอยากเวลาใจมีความอยากแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึก ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาก็เลยคิดว่าอยู่สองคนแล้วจะหายว้าเหวจะหายเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ก็ได้สิ่งอื่นที่ไม่ไดีทดแทนกันมาความความเหงาหายไปแต่ความลำใจลำคาญใจก็ตามมาอยู่กันสองคนเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องอะไร ใส่กันละเดี๋ยวคนหนึ่งบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้คนหนึ่งด่าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เกิดความราคาญใจขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อยู่สองคนก็ต้องมาเจอกับความทุกข์อีกแบบหนึง่งเพราะ ม, มันไม่ได้เป็นวิธีแก้ความว้าเหวที่ถูกต้องนั่นเอง ไม่ได้เป็นวิธีที่แก้ความเหงาที่ถูกต้องวิธีที่แก้ที่ถูกต้องก็คือต้องทำใจให้สงบทำนั่งสมาธินั่งทำสมาธิทำใจให้สงบเพราะความเหงาความว้าเหวมันออกมาจากใจออกมาจากความอยากพอเกิดความอยากแล้วมันก็สร้างความเหงาสร้างความว้าเหวขึ้นมาเพื่อจะได้ให้เราไปหาสิ่งมาดับความเหงาความว้าเหว พออยากจะไปดูหนังไม่ได้ไปดูหนังก็รู้สึกว้าเวก็ต้องออกไปดูหนังพอไปดูหนังก็หายว้าเวแต่ก็หมดเงินหมดทองไปเงินทองก็ล่อยเหลือไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเพราะต่อไปเงินทองหมดแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ได้ทีนี้ก็ต้องว้าเวอ ย, อยู่ดีก็ต้องทุกอยู่ดีแต่ถ้าเราทําสมาธิเป็น รับลองได้ว่าเราจะไม่ว้าเวเราจะไม่อยากจะอยู่กับใครเพราะวุ่นวายลำคาญใจอยู่คนเดียวนี่เงินแสนจะสบายเวลาจิตสงบแล้วเย็นสบายไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆนั้นมัมีแต่ความวุ่นวายทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กับจิตใจเลยไม่ได้ทำให้จิตใจสงบเย็นสบายมีแต่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ให้แก่ใจยอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการที่เราจะหาความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำใจของเราให้สงบนี้เองด้วยการสนับสนุนของการทําบุญให้ทานของการรักษาศีลเพราะผู้ที่มีมีบุญผู้ที่ได้ทําบุญให้ทานได้รักษาศีลแล้วจะทําจิตใจให้สงบง่าย กับผู้ที่ไม่ได้ทําบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลเพราะการทําบุญให้ทานรักษาศีล น, นี้ช่วยทําใจให้สงบเย็นไปในระดับหนึ่งถ้าไม่ได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลใจก็จะว้าวุ่นขุนัวกับเรื่องการกระทําผิดต่างๆกับเรื่องของการดูแลรักษาห่วงแหนสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่พอได้ทําบุญให้ทานแล้วก็จะไม่ค่อยห่วง ไม่ค่อยเสียดายแล้วถ้าไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำอะไรผิดใจก็จะไม่กังวลจะไม่วิกตกจะไม่วุ่นวายพอมาทำจิตใจให้สงบมันก็ไม่ยากดังนั้นเราต้องทำบุญให้ทางไปก่อนรักษาศีลไปก่อนแล้วค่อยมาทำจิตใจให้สงบแล้วเมื่อจิตใจสงบแล้วเวลาที่ความอยากมันโผล่มา เราก็ใช้ปัญญามาสกัดมันมาสอนใจว่าอย่าไปอยาได้อะไรได้มาไม่คุ้มไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปเวลาเราได้อะไรมาเราเสียความสงบไปเราเสียความสุขใจไปเราได้ความวุ่นวายใจกลับมาทดแทนที่ถ้าเราสอนใจเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะตัดความอยากได้ทุกอย่าง พออยากจะสูบบุหรี่ก็สอนใจว่าบุหรี่เป็นโทษไม่เป็นไม่เป็นคุณพออยากจะดื่มสุราก็เช่นเดียวกันพออยากจะไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันต่อไปก็จะไม่อยากกลับอะไรอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทําจิตใจให้สงบพอจิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหนุความอยากแล้วจิตใจก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปใจก็จะ สุไปตลอดไม่มีวันที่สิ้นสุดถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแล้วใจก็ยังมีความสุขอยู่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายและใจก็ไม่ไปหาความทุกมาแบกอีกไม่ไปเกิดใหม่อีกคนที่ไม่เกิดกับคนที่เกิดนี้ถ้าเปรียบเทียบกันก็เป็นอย่างนี้คนที่เกิดก็เป็นคนเหมือนกับคนที่แบกของหนักแลเดินรอบวงกลมเดินรอบอยู่วงกลมนั่นนะเดินไปเรื่อย กับคนที่ไม่เกิดก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องแบกอะไรไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆอันไหนจะสบายกว่ากันคนที่ต้องแบกของหนักเดินรอบวงเวียนอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยอ่อนกับคนที่นั่งนั่งนอนๆอนอยู่ในห้องแอร์อันไหนจะสบายกว่ากันนั่นแหละคือจิตของผู้ที่เวียนว่าตายเกิดกับจิตผู้ที่ไม่เวียนว่าตายเกิดแล้ว จิตของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ไม่ได้ออกมาแบกของหนักเหมือนพวกเราของที่หนักก็คืออะไรก็คือชีวิตของพวกเรานี้เองร่างกายของพวกเรานี่มันเป็นภาระที่แสนหนักที่คอยกดดันสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ทุกวันเวลาที่เราทุก์กันทุกวันเวลานี้ก็ไม่ได้ทุก์กับอะไรก็ทุกกับเรื่องของร่างกายเ่านี้เอง เรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของการหิวข้าวหิวน้าเรื่องของความร้อนความหนาวมันเป็นเรื่องของร่างกายทั้งนั้นพอไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านี้มารบกวนจิตใจดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เราไม่เกิดแล้วเราจะสูญหายไปเราไม่สูญหายไปไหนเราอยู่ในห้องแอรเรามีของใน ห้องแอร์นี้ครบทุกอย่างอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรมีครบทุกอย่างนั่นแหละคือห้องแอร์ของพระนิพพานเป็นอย่างนี้ใจไม่ได้ตายใจไม่ได้สูญหายไปไหนจึงขอฝากเรื่องของการมาชำระความโลภความโกรธความหลงเพื่อกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมยไปจากจิตจากใจกำจัดการเวียนว่ายตายเกิด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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมณสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ